กลับมาทําการพูดคุยนะครับกับคําพูดที่ดีเลิศที่สุดในโลกนะครับผมแบบที่ท่านอุมัตท่านได้พูดไว้นะครับว่าให้เราพูดถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพราะมันนั้นคือการรักษาแล้วก็พยายามอย่าพูดถึงมนุษย์ให้มากเพราะมันคือโรคตรงข้ามกันนะครับพูดถึงอัลลอฮ์มากมากเลยจะเป็นยารักษาจิตใจ แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคนมากๆเนี่ยถ้าดูมัดบอกว่ามันจะเป็นโรคคือมันอยากที่พวกเรารู้กันครับที่อย่างทำหน้าแต่งหน้านงงจานครับอ๋อครับผมมาชวนผมตัวเองครับอ๋อครับคือแล้วกินกิ่นข้าวแล้วทําแต่งหน้าเหมือนกนแบบฉันไม่อยากไปเลยที่มาชวนฉันทำไมเดี๋ยวฉันอยากจะเกรียน มาแบกครับเป็นเป็นขัวออกกองครับเป็นขัวออกกองเอาสาวไปที่ลูกสาวเลยครั บ, ออะรบจะจากเมกื่อไครับครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรากําลังพูดคุยกันในส่วนของู s ะอันนาสที่แปลว่ามนุษยชาติมนุษยชาติซึ่งองค์การนี้เราได้แปลความหมายไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสี่อายะจบแล้ว ตอนนี้เหลือประเด็นที่ผมบอกว่าหากเราอยากจะรู้จากมนุษย์เนี่ยเราศึกษาสูร้อนนี้แล้วเราจะรู้ถึงข้อเท็จจริงของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดแล้วก็สี่อายะนี้อัลลอ์เอามาตอบให้รู้ว่ามนุษย์เข้าใจผิดยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ จากองค์การแรกก็แล้วบอกเลยนะครับจงการเถิดมุฮัมมัดกุลอาอูซูบิรอบบินเนสสรรคขอคุ้มครองข อ, ขอขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติเดี๋ยวขอไปตามผมนะครับมีสามคุณลักษณะที่มนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองสามคุณลักษณะที่มนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองแล้วอยู่ในสุร้อนี้ สุรนัสจริงมีกี่อายะครับผมสุรนัสมีกี่อายะหกหกอายะครับแต่ว่าอายะที่ทําให้เราเข้าใจมนุษย์เนี่ยสามอายะแรกทําให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าใจตัวเองผิดส่วนใหญ่เข้าใจตัวเองผิดอายะแรกก็เราบอกไงครับจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดข้าพระองคขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติถ้าแปลว่าพระเจ้าแห่งมนุษยชาติความหมายจะไม่ชัด แต่ถ้าแปลว่าพระผู้อภิบาลความหมายจะชัดงั้นเราขอพร้อมคลองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติอายะที่สองว่าไงครับมาริคินเนสผู้เป็นผู้ปกครองมนุษยชาติอีลาหินเนสผู้ที่ถูกเคารพศักดิระโดยมนุษย์งั้นมีสามอายะนะครับที่ว่าเราจะมาทําความเข้าใจเกวกับมนุษย์กันจากอายะแรกครับถ้าเราสังเกตดู เชื่อเรบบาบอกว่าฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ดูแลมนุษยชาติมนุษย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหลายหลาคนจะมีความคิดเ ห, เหมือนกันว่าเขาเป็นผู้ที่จัดการดูแลตัวเองแล้วเขาก็เป็นผู้ที่จัดการดูแลทุกอย่างรอบตัวคือมนุษย์เราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของโลกถูกไหมครับส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของโลกแล้วเราเป็นคนดูแล เหมือนกับเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงซึ่งเรามาดูกันตรงๆครับเราว่าระหว่างมนุษย์ดูแลสัตว์เลี้ยงกับอัลลอฮ์ดูแลสิ่งมีชีวิตทั้งหลายใครดูแลได้ดีกว่ากันครับสัตว์ใดก็ตามที่มนุษย์เอามาดูแลจะคี้โลก่อนแอหมดเลยแมวไม่ใช่แมวสุนัขไม่ใช่สุนัขถูกไหมครับถ้าปล่อยไอยู่เองนี่ตายเองอยู่ไม่ได้ละ แต่สิ่งมีชีวิตเดียวแล้เป็นผู้เลี้ยงดูมาสัตว์ตามธรรมชาติตามอะไรอยู่ด้วยความแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมีเรื่องเล่าอันนี้เรื่องเล่าไม่อยู่ในบิดาญานีฮายาณนะครับเอคุณลุงมาลิกนะครับบอกก่อนว่าขึ้นครับมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าคันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในอินดุกซีดแล้วครับ <laughs> ผมได้ยินมานานแล้วนานแสนนานแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ยินมาจากไหนครับผมแต่อยากจะเล่าว่ามันอาจจะมีสาระก็ได้มันมีเรื่องเล่าว่ามีครั้งหนึ่งครับที่ว่าท่านอะบีสุไลมาน คิดยังไงก็ไม่รู้อยากทดลองแล้วก็เอามดมาจับมดมาหนึ่งตัวแล้วก็ถามว่าตามปกติแล้วเนี่ยหนึ่งปีเจ้ากินอาหารประมาณไหนคืออยากรู้ว่ามดตัวหนึ่งกินวิสกีเท่าไหร่หมดก็บอกว่าขอน้ำตาลประมาณอ่สักขอนิ้วมือน้ำตาลประมาณข้อนิ้วมือสามารถอยู่ได้เกือบปีท่านอบดุไลามานก็เลยให้ไปข้อนิ้วมือหนึ่งเมื่อนเวลาผ่านไปจนครบหนึ่งปี พอเน บ, บิสุลมานมาดูปุ๊บน้ำตาลยังเหลืออยู่น้ำตาลไม่หมดคือน บ, บีสุลมานพูดกับสัตว์ได้อย่างที่พวกเรารู้น บ, บีสุลมานท่านก็ถามมดถามว่าอา้าวไหนบอกว่าปีหนึ่งกินเท่านี้ไม่ใช่เหรอทำไมยังเหลือเขาบอกว่าเพราะปกติเนี่ยอัลลอฮ์เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาไม่กลัวอดอยู่แล้วแต่ตอนนี้น บ, บีสุลมานบอกว่าจะเป็นคนให้แล้วเขาไม่ไว้ใจกลัวน บ, บีสุลมานลืมหรืออะไรเหลือเขาก็ต้องเผื่อไว้ก่อนกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซุบฮานลลอะ คือถ้าเกิดเรามาดูต้นไม้ถ้าให้อาลอยต้นน้ำถ้าตามธรรมชาติของมันนะครับมันอยู่เข้มแข็งแข็งแรงอยู่สวยงามแต่พอให้มนุษย์ดูแลปุ๊บมนุษย์เหนื่อยนะดูแลดูแลก็ไม่ค่อยดีอีกต่างหากแล้วก็เราก็ชอบคิดว่าเราดูแลทุกอย่างได้แล้วเราคิดมากไปกว่านั้นก็คือเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้ฉันไม่สบายฉันไปหาหมอหมอช่วยงั้นหมอช่วยอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายครับอายาเนียร์เราบอกให้รู้ว่าฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ดูแลมนุษย์ แปลว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้วเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความเข้มแข็งอะไรเลยแม้แต่ตัวเองเรายังดูแลไม่ได้ถ้าใครเถียงผมไปปั่งะก็ได้ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ไปถามคนที่กำลังใส่ท่อออกซิเจนถามว่าคุณหายใจเองได้ไหมไม่ได้ไอ้ที่เราคิดว่าเราหายใจเองได้เนี่ยครับเพราะเราทำเป็นธรรมชาติเราไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำเอเล่ให้มันเป็นอะไรที่ทาโดย ธรรมชาติเลยแต่ถ้าถึงเวลาเอาล่อไมห่หายใจได้นิดนึงคัดจมูกอะไรเข้าไปในจมูกไหนไปเป็นไงครับเกิตายหรือบางทีกินอาหารเนี่ยซุบฮานะล่ะในคอของเรามีกี่หลอดครับเรามีหลอดอาหารเรามีหลอดลมมันสับสวิตกันยังไงพวกเราเคยคิดไหมมันสับสวิตกันยังไงทาไมบางครั้งเวลากินเราไม่ทันตั้งใจมันไปโผล่หลอดลม แล้วก็สําลักจะเป็นจะตายการใส่หลอดขีดจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะว่าคุณย่าผมท่านนึง่งอินนาลินแล้วครับท่านเสียชีวิตเพราะว่าใส่สายอาหารผิดหลอดแทนที่จะไปหลอดอาหารแล้วมันไปโผล่หลอดลมแล้วก็เสียชีวิตไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าญาติเราไม่ได้ติดใจเลยก็จบไปอย่างนั้นแต่แค่อยากให้รู้ว่ามนุษย์เราที่เราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้จริงๆเราทําอะไรไม่ได้เลย อาหารที่เรากินเข้าไปเราอาจจะคิดว่าเราย่อยได้เราไม่ได้ทําอะไรเลยคนบางคนท้องผูกท้องผูกไม่รู้จะทํยังไงปกติมันก็ไม่ถูกนะมันก็อยู่ปกติมันก็กินได้ทำไมครั้งนี้ท้องผูกฉันทาอะไรผิดถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้เราต้องจัดการในทุกอย่างท้องต้องไม่ผูกท้องต้องไม่เสียสุขภาพต้องแข็งแรงไขข้อต้องไม่อักเสบ แต่ยิ่งเราโตเติบโ ต, ต, ตเรื่อยๆยิ่งเราเอามีอาวุโสมากขึ้นเรื่อยๆอยู่หรือยิ่งเราไม่สบายเราก็จะรู้ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่เราอยู่ได้เพราะอัลละ์ดูแลเราเพราะนั้นอายะห์นี้จึงเป็นอายะห์ที่ว่าหักความเชื่อของบรรดาคนที่ย่อหญิงจองหองทั้งหลายที่เขาคิดว่าตัวเองนั้นพึ่งพาตัวเองได้แต่เราก็บอกว่าจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ดูแลมนุษยชาติ มาร์กิณ่าส์ธรรมชาติข้อที่สองที่มนุษย์เราชอบเข้าใจผิดเราชอบคิดว่าเราเป็นผู้ครอบครองเราชื่อเพื่อเราเป็นเจ้าของเหมือนอย่างบางครั้งครับเราแต่งงานใช่ไหมครับพ่อบ้านกินเป็นเจ้าของแม่บ้านหรือเรามีลูกเราก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของลูกแต่พอถึงเวลาลูกโตมาเราทําอะไรได้ไหมครับแค่บางครั้งอยากจะขอให้ลูกโทรมาหายังทําไม่ได้เลยแม่บางคนบอกว่าช่วยติดต่อให้หน่อย มือถือแพงก็ไหนก็แค่ไหนก็จะซื้อขอให้เป็นรุ่นที่สามารถโทรหารูปปุ๊บติดเลยโทรปุ๊บลูกลับมีไหมครับในโลกนี้ไม่มีนะไ ม, ม่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของลูกแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเขาเลยแล้วเราตั้งหากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราด้วยจังหากเพราะนั้นส่วนใหญ่ของคนที่คิดชอบคิ ด, ดว่าตัวเองย่อดหญิงจังหองจะเป็นคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของคนอื่นฉันไปเจ้าคนนายคนทุกคนต้องมาเป็นซีโรราฟต่อฉัน อลัลลอฮ์ก็บอกใน Surah An-Nas ให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะล ด, ดความเย่อดหยิงจังหอยแล้วก็ إلهيناس อีลาฮินสันสแปลว่าผู้ที่ถูกสักการะโดยมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ข้อที่สามครับที่ไม่มีใครหลีกพลได้ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วเวลาเดือดร้อนเราจะขอให้พระเจ้าช่วยโดยอตโนมัติ ถ้าเราสังเกตดูคนที่เดือดร้อนมากๆซเซล้วกกล่าวว่าในพระอางครับคนที่ว่าขึ้นเรือไปแล้วก็เดินทางเรือไปเรือคงเทงมีปรารส ม, มีพายุมีอะไรเขาจะขอดูอาเลยอย่างภาษาไทยคนคนไทยจะบอกไงครับขอดูอาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้สักอย่างที่มีในโลกขอให้ช่วยฉันให้รอดผลเพราะธรรมชาติของคนเราเราเชื่อว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือเราแล้วช่วยเราได้ซึ่งความเชื่อนี้มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เรา หาทางออกไม่เจอเวลาชีวิตเดือดร้อนเดือดร้อนมากๆลาบากมา ก, มากๆที่จะต้องหาละอะไรก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันดีแล้วบางทีถ้าเกิดว่าชัยตอนมันเข้ามาร่วมอาจจะเข้ามาทําให้คนนั้นรู้สึกว่าเออที่ฉันรอดและเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้เขาก็จะยึดเป็นพระเจ้าไปเลยเพราะฉะนั้นตามธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องกราบไหว้พระเจ้านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เจอเพราะยิ่งเดือดร้อนจะยิ่งกราบไหว้พระเจ้าเพราะนั้น ผมเลยบอกว่าในสโลอันนัสเราจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ชอบเข้าใจผิดอันที่หนึ่งเราไม่ใช่คนที่ดูแลหรือว่าจัด ก, การตัวตัวเราเองได้เวลาที่เราชอบพูดถึงคนอื่นดูแลตัวเองดีนะจะให้ดูแลยังไงเนะี่ยมีใครเคยคิดไหมครับเวลาพูดอย่าลืมดูแลตัวเองจะให้ดูแลยังไง <c oughs> ไม่รู้จริงจะให้ดูแลยังไง <c oughs> ก็คือถ้ามันไม่สบายมันก็ไม่สบายไงคุณลักษณะที่สอง เราไม่ได้ครอบครองอะไรอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เราครอบครองเป็นแค่ชั่วไปเดี๋ยวปไปดาวเชานในบีมัสลามอัลัยฮิสแลมบอกว่าสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆมีแค่อาหารที่คุณเข้าปากแล้วย่อยไปแล้วกับเสื้อผ้าที่ใส่ใ่จนมันขาดไปแล้วนบีบอกมีแค่สองอย่างที่เป็นของเราจริงที่เหลือไม่มีอะไรเป็นของเราบ้านถึงเวลาเราอยู่เราตายไปวก็กเป็นของคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นของที่เป็นของเราจริงแค่สองอย่างจริงเงินก็ไม่ใช่ แค่สองอย่างอะไรบ้างนะครับอาหารที่กินแล้วก็ย่อยไปกับเสื้อผ้าที่ใส่จนบังขาดไปแล้วนั่นถึงจะเป็นของเราจริงๆงั้นในส่วนของสุรอาอันนัสน่าจะจบแค่นี้ท่านใดมีอะไรอยากจะเสริมมีอะไรอยากจะพูดไหมครับเกี่ยวกับสุรอาอันนัสจุดเริ่มต้นของการประทานสุรานี้ในคุรานนะครับหลายสุร์หรือว่าหลายองค์การจะมีสิ่งที่เรียกว่า สาบับหนูซูลก็คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ประทานบทนั้นๆลงมาเพราะอย่างที่พูดช่วงแรกใช่ไหมครับว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์ทยอยประทานมาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่ว น, ลวนหลายครั้งที่ประทานมาเพราะว่ามีเหตุมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดอัลลอฮ์ก็เลยประทานมาอางนั้นตอนนี้เรามาขึ้นในสุรา่าอัลฟาลักสาเหตุที่อัลลอฮ์ประทานสุร่าอัลฟาลักกับสุร่าอันนัสเป็นสาเหตุเดียวกันคือสองสุรานี้อัลลอฮ์ประทานมาพร้อมกัน ประานมาพร้อมกันผมก็เลยรอให้เราถึงสุระอนฝรั่งกันเรื่องความมุขความหมายอะไรค่อยว่ากันนะครับผมหน้าที่11ูุระตุฝลั่งฝรักงหมายถึงแสงแห่งรุ่นอรุณแสงรุ่นอรุณก็คือช่วงที่แบบว่าเวลามริษช่วงปลายเวลาออขอขอมับปลายเวลาฟัชเรี่ครับปลายเวลาฟัชเชรี่ที่มมีแสงอรุณแท้ขึ้นครับผม تراني نهى وكان خب بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثة في العقد ومن شر حسد ا إذا حسد การอ่านอัลกุรอานสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือการออกเสียงให้ถูกแล้วก็การเว้นจังหวะให้ถูกเอเมื่อกี้ที่ผมอ่านคืออ่านแบบไม่มีทํานองไม่มีทํานองก็คือเน้นให้ดูว่ามันหยุดตรงไหนอะไรยังไงส่วนกรณีส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่จะมีอ่านผิดพลาดกันถ้าจะมีนะครับก็จะเป็นช่วงต่อระหว่างตัวฮมัมซา ก, กับตัวอินอ่าอ่าอูอ่า อะอ่า อ, าอูคุลอ่อูฮัมซาแล้วก็ตัวอินครับซึ่งถ้าในสนใจก็เรียนกับอาจารย์ซาร์อย่างละเอียดอีกทีหนึ่ครับผมให้อาจารย์ซาร์รับไปผมเน้นในเรื่องความหมายโอ้ครับผมสิเอกกีแล้วเพ่นั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกนั่นสิครับยิ้มยังไงยิ้มทำไมอ อ, อัลฮัมดุลลาฮ์ครับผมเอาโอเคครับต้องบอกว่าไงครับกุล จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดออูดูออููก็แปลเหมือนเดิมก็คือฉันขอความคุ้มครองอาอููฉันขอความคุ้มครองบีรับบิลฟละักขอต่อใครครับพระผู้อธิบาลแห่งรุ่งอรุณอย่างที่ผมบอกก็คือในกุรมาลภาษาไทยชอบใช้คำว่าพระเจ้าใช้รวมหมดเลยอีแล้คุนก็พระเจ้ารับบุญก็พระเจ้าซึ่งมันทำให้ความหมายคาดเคลื่อน พลดขึ้นไปบ้างก็ขอรับเมตตาผู้ที่ท่านแปลมาก่อนคือมันเป็นงานที่ใหญ่และเป็นงานที่ยากท่านทามาขณะหนี่สุดยอดแล้วแต่เรารับช่วงต่อจากท่านเราก็พยายามมาปรับส่วนที่ท่านน่าจะพลาดก็ทำให้ดีขึ้นรับบุญจริงๆต้องแปลว่าผู้อภิบาลหรือผู้ดูแลคนที่ดูแลในองค์การนี้ว่าบอกว่าจงล่าวเถิดฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ดูแลยามรุ่งอรุณ ทำไมถึงต้องเป็นยามรุ่งอรุณเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาความหมายกันมินชาร์ีมาเขาหลักจะขออะไรจากผู้ดูแลแห่งรุ่งอรุณล่ละขออะไรจากอ AH ัลลอฮ์ล่ะมินชาร์ีมาเขาหลักขอให้รอดพ้นจากมินแปลว่าขอให้รอดพ้นจากชาร์ลีก็คือสิ่งชั่วร้ายต่างๆความชั่วร้ายต่างๆมาขอลักก่อสิ่งชั่วร้ายความชั่วร้ายที่มาจากสิ่งที่พระ อ, องค์ได้สร้างขึ้นมา อาย่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮิด ว, ว่าพวงรอเป็นความสร้างความชั่วร้ายขึ้นมาใช่หรือไม่แล้วถ้าพวงสร้างขึ้นมามีเป้าหมายอะไรทําไมพวงถึงสร้างความชั่วร้ายขึ้นมาอันนี้เป็นคำถามที่เดี๋ยวผมจะถามนิดพีอยายัดต่อมาครับว่ามินชาริโรเซกินอีเดวกักบแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของความมืดเมื่อมันแผ่ปกคลุมเข้ามา ตัวมินชารินนฟรรเดติฟิลโอเกตแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของมดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อนตัวมินชาริฮาซีดินอิดฮัสซัดความชั่วร้ายจากผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาเรามาพูดคุยกันถึงอัสบาบุซูนที่มาที่ไปขององค์การนี้ผัวรับประทานมาในเหตุการณ์ใดซีนัสตับซินนักสาธิบายมีความเห็นตรงกันก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ว่าท่านอบี๊มุฮัมมัดสุลลาะของอัลลอฮฺสัลลัม โดนยูคนหนึ่งเล่นของเล่นไสยศาสตร์ก็คือไสยศาสตร์มีจริงเอาล้อก ล, ล่าวรับรองไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วผู้ที่มาสอนไสยศาสตร์ก็คือมารายกะโอมาชาลละครับผมฮารุธกับมารุษเป็นมารายกะสองท่านที่มาสอนจุดเริ่มต้นของไสยศาสตร์เริ่มที่เมืองไหนครับไหนๆก็ฮารุธกับมารุษละ้ะบาบิโลน บาบิลอนพระลอสบอกในกุรานก็คือบาบิลอัลลอฮ์คือผู้ที่ส่งมาเลกัสสองท่านมาก็คือฮารุษกับมารุษมาสอนกุรานขอโทษครับมาสอนไสยาศาสตร์มีใครอยากจะถามไหมครับไม่มีใครอยากถามเลยแห ล, ละไม่มีคําถามไม่มีข้อสงสัยเลยแห ล, ละครับครับสอนใครอ่ครับก่อนจะไปสอนใครต้องว่าทําไมถึงต้องสอนอ่าครับพอแล้ ทรงมารายกะสองขั้นให้มาสอนมนุษย์ถึงวิธีทำไสยศาสตร์นี่เป็นประเด็นอนกีดาที่สำคัญเพราะตอนนี้เรากำลังพูดในอายา น, นี้เราก็พูดถึงว่าอาววะเป็นผู้ที่สร้างความชั่วร้ายขึ้นมาด้วยสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วร้ายเยี่ยมครับผมประเด็นที่ไหนๆก็ไม่มีใครถามผมขอถามก่อนได้เปรียบ ทำไมพระเจ้าถึงสอนสิ่งที่ไม่ดีให้กับมนุษย์เราจะสอนเป็นแบบี้เอเราจะสอนไปเลยนะครับสอพานแล้วเรื่องต่างๆสอพานกันแล้วเป็นบททดสอบเยี่ยมครับผมก็คืออย่างที่พวกเรารู้อะครับโลกยืนยานี้เป็นท้องสอบแล้วพวกเรานะก็ให้คนแต่และคนมีทางเลือกที่เขาเลือกเองเลยใครอยากจะเลือกอะไรก็เลือกเสื้อล็อกเกลในกุฎีอ่านไว้ครับมาอยู่ดีดุดุญยาใครก็ตามที่ต้องการดุนโลกยืนยา เราก็จะให้เขาในส่วนที่เราต้องการแต่คนที่รีบเอาอะไรในดุนยาโลกหน้าเขาจะไม่ได้รีบเอาแต่ดุนยาโลกหน้าจะไม่ได้ศยศาสตร์นะครับตอนที่มาริการสองท่านมาสอนให้กับชาวเมืองบาบิโลนมาริกาที่มาอยู่เนี่ยพูดให้คนทุกคนรู้ก่อนที่จะเรียนบอกว่าวิชาที่จะสอนเป็นวิชาที่ทำให้ได้ทางรัฐ คือได้อะไรตามที่ต้องการเร็วกว่าที่ควรเห็นสองคนมันรักกันหมือนไส้อยากให้มันเลิกกันใช้สาสตร์ผลเลิกกันอยากให้คนคนนั้นมาลักเราเอาใช้สัญญาแฝดก็ทำให้มารักเรามันเป็นทางรักมนนกาเลกาบอกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยมันจะเป็นทางรักสําหรับดุญยาแล้วใครก็ตามที่เรียนจะต้องเป็นกาเฟสและต้องอยู่ในนรกตลอดกาล แล้วมายการ์ทุกคนทัท้งสองท่านที่มาสอนนะเขาบอกเลยครับเวลาตักฟุตอย่าได้เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคือเหมือนกับว่าคนใจร้อนใช่ไหมยอยากได้ทางลบใช่ไหมฟัร์ลอกก็บอกว่าถ้าคุณอยากได้นี่คือทางลบที่คุณอยากได้แต่ถ้าคุณเลือกทางนี้นั่นหมายความว่าคุณเลือกเอาแต่ดุนยาโลกหน้าคุณจะไม่ได้เลยแล้วคุณต้องรับผิดชอบเองในสิ่งที่คุณทำ มันก็เหมือนกับการที่อัลลอฮ์ให้เรามาเกิดทีเท่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็ให้เลือกว่าใครอยากทำดีก็ทำทำชั่วก็ทําอัลลอฮ์อนุญาตให้ทําทั้งทําดีทําชั่วแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบติเพระนั่นไงคสองท่านที่มาสอนที่เมืองบาบิลนก็เหมือนกันจุดเริ่มต้นก็คือท่านก็เรียนอท่านก็สอนไยศาสตร์ให้กับมือษสยศาสตรซึ่งมีสายรายงานที่ดออีฟซึ่งผมจะไม่เล่าถึงเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ของฮารุดกับมารุด ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะสอนผมขอข้ามไปก่อนแต่ถ้าอยากฟังก็จะเล่าอยากฟังใช่ไหมครับกระตุ้นี้อยากรู้นะครับทำไมอยากรู้เลยอยากไปเหมือนกับมีประตูห้องใช่ไหมครับเจาะรูแล้วก็ติดป้ายว่าห้ามดูใช่ไหมครับถ้าไม่ติดป้ายอาจจะไม่อยากแต่พราอติดป้ายกูไม่อยากดู เอาอยากเล่าตัวฟงังจริงๆผมก็สองสิทธสองใจไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร <c> ่ <oughs> ผมขอย้ํานะคะว่าผมไม่เชื่อว่าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องจริง <c oughs> ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ <c oughs> มีการพูดถึงเฉยๆ <c oughs> คือเช็คนุกัซีดได้เล่าว่าในหนังสือทัฟซีดของท่านว่ามีคนพูดถึงซึ่งท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าทัฟซีดหนุกัซีดหรือว่ากุรานฉบับอธิบายเดชหนุกัซีดในท่านจะรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกุราน ทั้งที่ถูกกับทั้งที่ไม่ถูกที่ถูกท่านก็จะไม่พูดอะไรแต่ที่ผิดท่านก็จะระบุชัดเจนบอกว่ามันไม่น่าจะถูกหรือมันไม่ถูกเลยเรื่องราวเรื่องของเรื่องครับเขาว่ากันว่าอันนี้ไม่รู้แล้วใครว่าเพราะผมคิดว่ามันไม่จริงว่ากันว่ามีครั้งหนึ่งครับที่ว่ามารีกสสองท่านเนี่ยที่ชื่อว่าฮารูสกับมารูสเนี่ยสงสัยว่าทาไมมนุษย์ถึงทาความชั่วได้ทาไมถึงไม่กลัวพระเจ้า ทำไมถึงไม่สามารถท้ามใจตัวเองได้จริงๆไม่อยากให้ไหลเผื่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้โอเคทีนี้ครับเขาก็บอกว่าพระลอร์ก็เลยให้ฮารุสกับมารุสเนี่ย ก, ก็ถามว่าอยากรู้ไหมว่าทําไมพระเจ้าสองท่านก็บอกอยากรู้พระลอร์ก็บอกว่าเพราะว่ามนุษย์มีความต้องการมีความปรารถนาที่เรียกว่าอารมณ์ไฟต่ํา เรียกว่าฮาวานับสู่ครับคือมารีกาไม่มีฮาวานับสูแต่มนุษย์มีฮาวานับสูซึ่งถ้าหากว่าพวกเจ้ามีฮาวานับสูพวกเจ้าก็จะทำผิดพลาดเหมือนมนุษย์นี่แหละซึ่งท่านฮารุตกับมารุตท่านบอกว่ายังไงผมก็คงไม่พลาดหรอกพวกลอตก็เลยให้มีฮาวานับสูให้มีฮาวานับสูแล้วก็ให้มาอยู่ในโลกนี่แหละ พออยู่ในโลกปุ๊บเริ่มมีอารมณ์ซึ่งไม่เคยรู้สึกถึงความปองการความปรารถนาอะไรมาก่อนแล้วก็ลงมาอยู่ในสภาพของผู้ชายแล้วก็เจอผู้หญิงที่สวยงามมากแล้วก็อย่างที่เรารู้ก็เรียบร้อยลงเรียนตามหนังฝรั่งไปประมาณนั้นก็คือท่านเหล่านั้นก็พอทำความชั่วปุ๊บ อ่าครับแล้วก็หลงไปเลยแล้วก็เลยสอนศัยศาสตร์ไปเลยเลยประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องเล่าที่ไม่มีสายรายงานเลยแล้วผมว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าอเมริกาไม่มีทางที่จะเป็นสนาดนั้นอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นเคลียร์นะครับก็คือเล่ามาก็เล่าไปแต่ยืนยันด้วยว่าผมไม่เชื่อว่ามันจริงครับแต่ประเด็นก็คือเรื่องการสอนศัยศาสตร์นะครับมีมาตั้งแต่สมัยยุค ก, ก่อนและ้ะแล้วประเด็นที่ต้องเคลียร์ก่อนความเข้าใจผิด ของผู้อาจารย์เรียกว่าผู้รู้ได้ไหมผมไม่ได้เรียว่าผู้รู้ได้ไหมแต่ว่าอาจารย์บางท่านมีความเข้าใจผิดว่าท่านนาบีสุไลมานที่ควบคุมยินได้เพราะใช้ศิ雅ศาสตร์เพราะแชมอานาจนิดแล้วจะมีหนังสือศิยศาสตร์ที่ว่าในกลุ่มอาจารย์เหล่านั้นเนี่ย ผมไม่ขอระ บ, บุสถานที่ไม่ขอพูดไดทั้งสิน้นแต่ว่าในกลุ่มอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยจะมีหนังสือที่เรียกว่าคาถาของสุไลมานเป็นหนังสือที่ว่าหนึ่งหนังสือยอดนิยมเลยของผู้รู้ที่แบบว่าท่องกุรานได้กลุ่ม น, น, นั้นนะครับกลุ่มที่ว่าที่ว่าเขาจะต้องแสวงหาตําราเล่มนี้มาแล้วก็ต้องบริกรรมบทคาถาอะไรตามเนี่ยแล้วเขาเชื่อ ว, ว่านี่เป็นคมภี์ที่นาบีสุไลมานใช้ถามว่าคำภีร์ที่ว่าเนี่ย มีตัวตนจริงไหมคำตอบมีตัวตนจริงๆอยู่ใต้บันลังของนบีสุไลมานตอนท่านเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์กล่าวในกุรานครับว่าวะมากาฟารุสุไลมานุวาลากินนชรายตีเนกาฟารูยูอัลลิมูนันนาสเซฮ์ในกุรานอัลลอฮ์ระบุชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครเถียงคุรานได้ อัลลอฮฺระบุชัดเจนว่านาบีสุไลมานเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เป็นกาเฟตแต่ว่าชัยตอนตังหากที่เป็นผู้ปฏิเสธสัทธาที่เป็นผู้สอนสศิลศาสต ร, ร์ให้กับมนุษย์หมายความว่าตอนที่ทนบีสุไลมานเสียชีวิตนะครับอย่างที่เรารู้ท่านบีสุไลมานสั่งใช้ยินได้บรรดาผู้คนก็อยากรู้ว่าท่านมีอำนาจอะไรไปใช้ยินได้พอเสียชีวิตไปปุ๊บก็เลยลองลื้อบัรลังที่ว่าท่านนั่ง พอลื้อไปปุ๊บก็เจอหนังสือเล่มเนี่ยที่ชัยตอนมันเอาไปซ่อนไว้แล้วจินตนาการของคนบรรเจอ่ะอยู่แล้วไงพอขุดบันลังออกมาปุ๊บเจอหนังสือเล่ม น, นี้ซ่อนอยู่วิธีการเล่นไสยศาสตร์อ้าสุไลมานเล่นแน่นอนโยงกันมั่วซั่วโยงว่าอับดุีสุไลมานเป็นคนใช้ที่น่าเสียใจก็คือว่ามุสลิมเองบางส่วนส่วนน้อยมากๆที่ดันเชื่อว่าเป็นของอับดุีสุไลมานแล้วก็มีการเล่นไสยศาสตร์ เพีนั้นก็ขอประกาศณจุดนี้นะครับหนังสือริซู น, นักซุสเซเลมานหรือว่าชัดซุสเซเลมานเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอิสลามทั้งสิ้นถ้าเกิดใครมีโอกาสเจอก็กาจัดนะกาจัดซะหนังสืเอเล่มนี้ผมเคยเห็นแต่ว่าจริงๆมันมีสองเล่ ม, มอีกเล่มนึ่ง น, นั้นกลับมาไปเรื่องของท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัมครับท่านนบีโดนยูอ่ะเล่นของใส่ ซึ่งตอนที่ท่านอับดุเล่นศัยศาสตร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับท่านครับท่านจะมีบางช่วงที่ท่านจะเหมือนกับว่าจะเลื่อนๆความคิดเลื่อนๆคืออย่างที่เรารู้ท่านอับดุลสลามเนี่ยมีภรรยาหลายท่านใช่ไหมครับผมบางครั้งท่านก็คิดว่าเออภรรยาคนนี้ฉันไปหาแล้วครัง้งๆที่ว่ายังไม่ได้ไปเพราะจะมีการแบ่งวันอย่างชัดเจนซึ่งคนใกล้ตัวก็ผิดสังเกตว่าเฮ้ยทาไมท่านอบีถึงดูเหมือนกับว่าจะ จะลืมๆอะไรไปหรือเปล่าแต่เรื่ององค์การเรื่องอะไรชัดเจนไม่ลืมเหมือนเดิมจนกระทั่งว่าท่านชิบะลินซึ่งเป็นมายการเนี่ยนะครับได้มาหาท่านารรอรรับดุลโมสลามแล้วก็ได้บอกว่ามุฮัมมัดคุณเนี่ยโดนเล่นของโดยเล่นเสียศาสตร์อยู่คนที่เล่นคือชาวยิวเขาเล่นโดยการเอาผมเนี่ยไปผูกเป็นปมเอาผมของท่านอบีไปผูกกับหวีของท่านอบีทําให้มันเป็นปม แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องแล้วเอาไปขุดไว้เอาไปไปไว้ในส่วนของบ่อน้ําที่อยู่ลึกเลยคือดําลงไปในบ่อน้ำแล้วไปฝังยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งพอท่านบียสซาัมตื่นมาก็บอกที่หนิงไอชาบอกว่าไอชาฉันรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกตอนที่ช่วงเรือนเรือเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่าท่านอบีเรือนแต่ไม่รู้ว่าเรือนเพราะอะไรท่านอบีก็เลยให้ hey, ท่านอาลี เราอย่างเราวันฮูเนี่ยไปดูในสถานที่ที่ท่านชบีนบอกก็ลงไปก็เจอบ่อน้ำบ่อน้ำก็เป็นน้ำแบบน้ำแดงสีแดงก็ลงไปแล้วก็วิทย์น้ำวิทน้าก็พยายามหาเจอปุ๊บพอเจอมาปุ๊บก็มาจัด ก, การปมท่านจมีนวัสดัน้ำก็หายจากเรื่องราวนี้ครับอ่าพอพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ มีอยู่แถวนี้ <tain. S 1> หรือเปล่าใต้เก้าอี้ผมมีไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะจากเรื่องราวที่เราได้ฟังเนี่ยครับผมในเรื่องของศาสนารรลลอิสลามคำถามแรกๆที่เราควรคิดถึงก่อนระดับนร บ, รบรีโดนไสยศาสตร์ได้ยังไงระดับนร บ, รบรีในวิชา ก, การมีคำตอบง่ายมากเลย เพื่อให้ประชาชาติได้รู้ว่าศยศาสตร์มีจริงแล้วก็บอกถึงวิธีรักษาแล้วก็เพื่อเป็นการย้ําให้รู้ว่าท่านอับดุลลอฮฺมุสลิมมก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง mm hmm. ก็คือจากเหตุการณ์นี้สอนมนุษย์ไดหลายอย่างเลยประการแรกให้เรารู้ว่าท่านอบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งตอนที่ท่านเดินศยศาสตร์เนี่ยคุณฟารักกับคุณนัสยังไม่ถูกประทานลงมายังไม่ถูกทานลงมา อาวแรกเได้อะไรนะครับท่านอับดุสเลาะเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ท่านเป็นคนที่เาลาะรักมากที่สุดประการที่สองที่ท่านโดนก็คือเพื่อเอาลาะจะได้สอนให้เรารู้ว่าเสยศาสต ร, ร์มีจริงแล้วก็บอกถึงวิธีการที่จะป้องกันมันแล้วก็วิธีการที่จะจัดการกับมันซึ่งการป้องกันง่ายกว่าการรักษาไสยศาสต ร, ร์นะครับการป้องกันง่ายกว่าการรักษา แล้วก็ที่เรารู้สืบเนื่องมาเกี่ยวกับเรื่องของสายศาสตร์ใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับสายศาสตร์คนที่เล่นของอัลลอฮ์ประกาศไว้ในกุรานว่าเขาคือกาเฟตเขาคือผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นมุสลิมเราต้องอยู่ให้ไกลที่สุดจากเรื่องของสายศาสตร์ ทีนี้มีสิ่งที่ผมอยากจะขอเสริมไม่เกี่ยวกับสีข้อที่พูดนะครับผมเดี๋ยวเราแค่เราเรื่องประวัติเหตุการณ์ต่อแต่มีเรื่องที่ผมอยากจะฝากนิดนึงผมไม่รู้ว่าใช่ที่หรือเปล่าแต่ว่ามันคันปากขอเล่าหน่อยละกันบรรดาแม่บ้านที่รักครับไสยศาสตร์มีจริงแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่พ่อบ้านเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่เหมือนเดิมใจลอย เหมือนกับคนโดนของขอให้รู้ว่าเขาไม่ได้โดนของเขาแค่ติดผู้หญิงใหม่ อ, อันนี้ผมต้องบอกขย้ำก่อนเพราะว่าตลอดชีวิตผมเจอไม่ต่ำกว่าสามสี่ท่านในบ้านมาหาผมแล้วก็บอกอาจารย์สามีชั้นโดนเล่นของแน่แนเลยผมก็เอ๊ะเกิด อ, อะไรขึ้นเ่ะครับเขาไม่เหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวนี้เขามองฉันแล้วหน้าขวางปกติยิ้มให้ แล้วช่วนี้ก็หายไปตั้งนานแล้วก็เออปัมป่มๆเปื่อๆเขาต้องโดนของผมบอกเย็นไว้ครับผมคิดว่าเขาหลงผู้หญิงคนใหม่ติดผู้หญิงคนใหม่แน่นอนฉะนั้นก็บอกเป็นไปไม่ได้ผู้ชายของฉันเป็นคนดีเขาต้องโดนของผู้หญิงอีกคนมันต้องเป็นคนไม่ดีผมไม่รู้ว่าทํำไมนะครับเคสที่ผมเจอทุกเคสแม่บ้านฟันธงว่าสามีตัวเองไม่ผิดสามีตัวเองโดนของ ผมก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆเลยถ้าโดนของเนอะไปหาน้ํามาน้ํำซมๆก็ได้แล้วก็อ่านฟาติฮ์เจ็ดรอบเหมือนกับพี่ซอบาอ่านเจ็ดรอบที่ไล่พิษให้กับหัวหน้าเผ่าที่โดนพิษเมียงปองเนะ่ะแล้วก็อ่านอายะคุตสี่อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไปอ่านกุนสามกุนสามจบให้ครบเป่าให้เขากินแล้วก็ให้เขาอ่านอายะคุตสี่ถ้าเขาทําได้หมด เขาแค่ติดผู้หญิงคนใหม่แล้วก็เกิดบทุกคนที่ไปทําผ่านจากนั้นอีกเดือนสองเดือนถึงมายอมรับว่าเขาติดคนใหม่จริงๆหลงแล้วก็เคสที่ผมเจอก็คือคนใหม่ก็ดันคิดว่าคนเก่าเรื่องของทําไมเข้ามาหาฉันแล้วเขาลุกนี้ลุกลนจะมันจะไม่ลุกนี้ลุกลนนี่ก็มันแอบทำอ่ะ มันก็กลัวสิมันือสารภาพสิแล้วก็แบบแต่ละคนผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้ามีอะไรแปลกๆปุ๊บโยนให้ศัยศาสตร์ก่อนศัยศาสตร์มีจริงแต่หัวใจคนบางครั้งมันน่ากลัวกว่าการโดนศัยศาสตร์ล่าสุดที่มีนี่คือทั้งครอบครัว ก, กําลังเครียดลูกกาลังติดผู้หญิงติดแบบติดมากเลยเขาบอกว่าต้องโดนของแน่นอนอาจารย์เพราะว่าอาการแบบเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือยอมตัดได้ทุกคนยอมตัดพ่อยอมตัดแม่ยอมตัดพี่น้อง ผมก็บอกว่าผู้ชายเวลาหน้ามืดเป็นอย่างนี้ทุกคนมันตัดได้หมดแหละใช่ไหมครับเขาบอกว่าผมสายร้ายเขา <c oughs> ถามว่าผมไม่สา ย, ายร้ายเขาวิาลินวินาเรชูนอะรอย่างครับ <c oughs> ครับโอเคครับโ okay. อเคเคสที่มาปรึกษาผมมีแม่บ้านมาปรึกษาไอ้เป้าบ้านปรึกษาะพิ่มาเจอ <c oughs> แต่มีต <c oughs> ิงกู้มีติงกู้ ในกรณีที่พ่อบ้านติดผู้หญิงเนี้ยอคอครดูอาใช้ได้ผลใช่ไหมคะดูอากับพระอง ค, ไคอ์ได้ผลไหมคะ <c oughs> ได้ผลไหมอยู่ที่อัละไรว่าเราจะรับหรือไม่รับแต่เพียงแต่ว่าประกายแรกที่เราทุกคนทําได้ประกายแรกที่เราทุกคนทําได้ทําใจ <c oughs> คือผมคิดถึงคําพูดของน บ, บีมูซาครับ ท่านนบีมูซาบอกไงครับอ้วนล้อแท้จริงผมไม่สามารถจะไปกักเกณฑ์ใครได้นอกจากตัวผมเอง mm hmm. นบีมูซาที่ว่าต้องดูแลยูลทั้งเผ่าที่ว่ายูลหัวดื้อนะครับ mm hmm. ท่านนบีมูมซาท่ว่เป็นคนที่มีหมานที่สุดแ ล, แล้วรักอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วเข้มแ ข, แข็งที่สุดแล mm ้วแข็งแกร่งที่สุดแล้วคือถ้าสู้ก็ไม่แพ้ใครแต่ท่านก็ไม่สามารถบังคับยูลให้เชื่อท่านได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะครับผมถามง่า ย, ายเลย เราบังคับหัวใจเราได้ไหมครับหัวใจตัวเองยังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับใครได้มาเล็กเอียที่อ่านเมื่อกี้ครับพุดเอาอุสรบินนาสมาลิกินนัเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่ผมอยากสื่อก็คือเราไม่ใช่เป็นคนที่ควบคุมตัวเองปเป็นเจ้าของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะมีวิธีที่จะทําให้คนของเราไม่นอกใจเราเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ทางเลือกของเขาถ้าเขาเลือกที่จะนอกใจเขาก็ต้องไปตอบกลับว่า ถ้าเขาเลือกที่จะอยู่กับเราเขาก็จะได้การตอบแทนจากอันล่ะแต่ประเด็นที่เราทําได้นอกจากทาใจนะครับทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดแค่นั่นแหละคือถ้าเราทำในส่วนขเขาได้ดีที่สุดเขาไม่มีข้ออ้างแล้วไงเขาจะบอกว่าเราบกพร่องเราก็ไม่ได้บกพร่องเราก็ทําเต็มที่แล้วเพราะแม่บ้านบางคนที่ผมรู้จกักก็คือดีแสนดีดีจนแบบว่ า, าดีกว่านี้ก็มาไร้กล้าแล้วอ่ะครับแต่ก็คือผู้ชายจะไปซะอย่างก็ก็ไป ค, ครับ เช่นเดียวกันนะนะตรงข้ามแบบที่อาจารย์หมอบอกไว้ถ้าเกิดคือผู้ผู้ชายจะดีแค่ไหนถ้าผู้หญิงจะไปก็ไปถูกไหมครับในโลกนี้มันก็มีทั้งคู่นะครับเราก็มีทั้งคู่เรกลักบมาเรื่องสยศาสตร์ก่อนแล้วกันเรื่องนี้คุยแล้วปวดหัวแต่แค่อยากจะบอกนะครับว่ามีอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบโยนให้สายศาสตร์อย่าเพิ่งรีบโยนให้สายศาสตร์มันอาจจะเป็นคำตอบที่มันทำให้เราสบายใจ แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้มีเรื่องให้สบายใจขนาดนั้นคุณอาเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับผมครับทําไมต้องยืนด้วยครับคุณอาผมคุยกับคุณอาที่สี่คุณอาไม่เคยเดินของใช่ไหมไม่เคยนะยุคนี้ไม่น่าจะหลงกันง่ายนะครับเรามีกูเกิลนะครับก o เกิลแมปนะครับเราหากนะูเกิลเอาอ่ะเอาไปเหยื่ออะไรนะ จริงๆไปในเรื่องครอบครัวเรื่องแม่บ้านเรื่องพ่อบ้านไว้เราจัดสักชั่วโมงหนึ่งเราไม่ต้องไลฟ์เรามาคุยกันแบบเปิดอกใครมีปัญหาอะไรเรามาเคลียร์กันดีไหมครับสักวันเลยนะสักวันเอเดี๋ยวอีกฝ่ายเขาฟังครับคือผมกลัวว่าถ้าไลฟ์แบบแม่บ้านที่จะปรึกษาปุ๊บเดี๋ยวพ่อบ้านฉันรู้หรือพ่อบ้านที่จะปรึกษาเดี๋ยวแม่บ้านฉันรู้เพราะนั้นรับรับดีกว่าหรือเปล่า แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับไปว่ากันที่หลังแต่ประเด็นก็คือศศาสตร์นี้จริงแต่หัวใจคนเนี่ยมันพลิกผันได้ตลอดเวลาทุกคนตัวผมเองคนแรกเลยตอนนี้พวกเราอา จ, จเห็นว่าผมเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าล้อแล้วไหมครับผมอาจจะไปเต้นแถววอร์มอัพหรือว่าที่ไหนก็ได้ใครไปรู้หัวใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเราก็ได้แต่ขอดูอาการล้อเหมือนกับที่ท่านรบีขอท่านรบีขอเป็นประจำนะครับ ถ้าเราเบีขอเป็นประจำว่าโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจปวดให้หัวใจฉันมั่นคงในศาสนาของพระองค์เราก็ต้องขอเป็นประจําเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ถ้าเราห่วงคนของเราก็ขอให้คนของเรา<อ>แต่ถึงเวลาเขาเป็นคนเลือกชีวิตเขาเองหน้าที่ขอเป็นหน้าที่เราเราขอได้เต็มที่เลยแต่อย่างที่ผมบอกก็คือทําใจไว้ระดับหนึง่งเพราะถ้าเราคาดหวังกับมนุษย์มนุษย์ทําให้เราผิดหวังแน่นอนถูกไหมครับคาดหวังกับลูกลูกก็ทําให้เราผิดหวังแน่นอน คาดหวังกับผู้คลองผู่คลองก็ทําให้เราผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นคาดหวังกับบอเบไม่มีวันผิดหวังชีวิตคู่มันเครียดนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากพูดเรื่องลูกสาวผมฟังเยอะจะไม่อยากแต่งงานเรากลับมาคุดฝฟั่งครับหลังจากที่ว่าการที่ทาร์บิวส์ลาล์โมเลสลาล์มหลังจากที่โดนสายสะบัดเนี่ยซูร์ล้อก็ประทานซูร์ล้อนี้มาก็คือซูร์ล้ออัลฟาลักกับอันนาส ซึ่งสองซูลานี้มีฉายาถ้าชื่อก็ชื่อตังหากฉายาก็คือมูอวิสตานี่มูอวิสตานีมีความหมายว่าสองบทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองสองบทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งมีแบบอย่างจากท่านอบีมอโมฮัมหมัสุลตานีอัลลอฮใครก็ตามที่ไม่อยากให้ใชายตอนมายุ่งไม่อยากเจอไสยศาสตร์ไม่อยากเจอโลกเอนไม่อยากเจอ เรื่องของความอิจฉาที่มันจะมาทำร้ายให้เราเสียหายให้อ่านสามกุญเป็นประจํามีมาอวิสตานใช่ไหมครับกุญฟลักแล้วก็มีกุญนนสแล้วก็ท่านอบีเพิ่มมาก็คือซุรออิคลาสกุญฮุรอฮุอัลฮัตให้อ่านเป็นประจําตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนเชา้าเย็นก่อนนอนเชา้าสามบทเนี่ยอ่านสามจบ กุญหัวรอเสร็จปุ๊บกุญลาอุสลิฟัลักแล้วก็กุญลาอุสลบินนัสจบและวหนึ่งรอบก็ทําซ้ํากุญหัวลอกุญฟัลักกุญนัสกุญหัวลอกุญฟัลักกุญนัสตอนเช้าจบและวหลังนั้นก็ตอนเย็นหลังอัสรี่หลังละหมัดอัสลีแล้วสักพักก็สามสามสามหลังจากนั้นก่อนนอนก็สามสามสามไม่มีทางโดินสาสตร์ไม่มีทางเดินยินอัมไม่มีทางเดินสิงเราโฟนแต่เรื่องพวกนี้เดือดขาดเลย มีลูกศิษย์คนหนึ่งผมที่ว่าคือเรื่องของการเจอยินมาลาวีเจอยินมารบกวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันโดนไปบางคนนะครับถามว่าทำไมก็วันรวาลัมคืออาจจะไปถูกสเปกยินแล้วยินมันก็เลยมาลาวีแล้วลูกศิษย์ผมคนเนี้ยปรึกษาผมมาเป็นปีแล้วโดนยินลาวีมาเจ็ดแปดปีแล้วมีรูปแบบเยอะ ทำไมล่ะครับมีใครโดนเนี่ยนละ่ะอ๋อครับทำไมถึต้องชื่อฉันด้วยทำไมถึงต้องเป็นชื่อฉันด้วยเอ้ายินมาตามล่วดีขึ้นนะครับผมก็ลืมไปว่าผู้หญิงนี่เขาเซนสะ์ฉีะอ๋อชื่อลาวีแล้วยินลาวีนี่ไม่ได้เลยคือลูกก็ไปถาม อ, อีกอ้อ ก็คือยินมาค่องข้างจะมาตอแยเยอะหน่อยผมก็บอกว่าเนี่ยท่านอบียสอนไว้อย่างนี้นะท่านอบีสอนให้อ่านเช้าเยน็นก่อนนอนหลังใจากได้นแยที่หนึ่งเขาโทรมาอาจารย์ทำไมหนูยังดนตอแยอยู่ละ่ะทำไมมันยังตามลำควานหนูอยู่ผมก็ถามว่าอ่านทุกวันไหมเขาบอกไม่ได้อ่านค่ะเออสมควรละคือคนบางคนที่แบบว่า เอา ล, ล่ะทดสอบคนไม่เหมือนกันไงคนบางคนถ้าเกิดโดนของพวกนี้ง่ายๆยิ่งต้องระวังตัวเป็นพิเศษมี่งต้องระงตัวเป็นพิเศษแต่แล้เกิดใครที่ว่าเอา ล, ล่ะให้ไม่รอดให้รอดอัทมดีละเหมือนกับโรคเอ็นนะครับโรคเอ็นที่ว่าโรคที่เกิดจากตาเนี่ย เ, เวลาใครมีอะไรดีๆมากๆแล้วมีคนอื่นมาชอบหรือมาประทับใจบางทีเอา ล, ล่ะจะให้เกิดความเสียหายกับตัวเขาแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน บางคนก็เลยบอกก็ชีวิตฉันไม่เคยเห็นโดเลยแปลว่าเอ็นไม่มีจริงก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะพี่คิดไงพี่ก็ทําไปแล้วกันผมบอกตามที่เราบอกกระซุนบอกผมเป็นห่วงแค่นี้แต่บางคนนี่คือลรคเอ็นแบบโดนง่ายเลยมีเคสหนึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โพสต์รูปลูกตัวเองโพสต์ปุ๊บลูกเข้าโรงพยาบาลแล้วกีเรื่องลรคเอ็นเดี๋ยวถึงเวลาค่อยเล่ากันเมื่อถึงที่ของมันนะครับผมว่าโรคเอ็นเขาได้เจกอะไรครับ โลกที่เกิดจากตาที่มองอาจจะอิจฉาหรืออาจจะชอบทั้งชอบกับทั้งอิจฉาครับถ้าเรียกว่าตาอิจฉาอย่างเดียวมันไม่ค่อยตรงนะครับเ<ม>พราะโลกเอ็นเป็นโลกที่ว่าเกิดจากตาที่ประทับใจเรามีอะไรดีๆอครับเวลามีใครมาชมเวลามีใครมาพูดถึงมุสลิมเราต้องพูดคําว่ามาชาลล์ให้ติดปากมาชาลล์มันจะลบเรื่องของโลกเอ็นไปมาชาลล์ก็ได้อัลฮัมดุลิลละก็ได้แต่ต้องพูด ถ้ามีใครมาชมโอ้ยพี่มาริกเดี๋ยมาหลอกได้เราว่าอ่าอับอับขอโทษผมยกตัวอย่างเฉยๆก็คนได้ยินถ้าเกิดว่าเจ้าตัวลืมพูดอะครับภรรยาก็จะบอกมาชาอ๋อเนาะแล้วภรรยาจะต้องยืนข้างๆฉันอยู่ที่นี่นะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าขอโทษขอโท ษ, โทษผมอาจจะไปแตะเรื่องที่ไม่ควรแตะใช่ไหมครับโอเคไม่ควรใจได้ดีอ๋อทำดีแล้วครับ ไม่ฟังดีแล้วทำดีแล้วดีแล้วเย <c oughs> ในสุร้อนี้ครับนอกจากการบางส่วนบางท่านนะครับท่านบอกว่าในเรื่องของความชั่วร้ายที่มีในโลกเนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยเราก็พยายามป้องกันถ้าที่เราจะทําได้อย่างเช่นเลือกโกครคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนเราก็พยายามรักษาความสะอาดพยายามล้างมือพยายามแปลงฟันและทำความสะอาดไป ทำให้สุขภาพแข็งแรงไปส่วนเรื่องอันตรายที่เป็นเรื่องลึกลับนี่ต้องขอความคุ้มครองจากลอล้อผิวเพียวเลยอย่าได้เย่อหยิ่งว่าฉันไม่มีทางโดนเพราะบางคนชอบคิดว่าฉันไม่มีวันโดนหรอกมันก็แค่ยังไม่ถึงตาเราวิสัยถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ครับเนื้อส่นี้ผมคงไม่แปลละเอียดนะครับเพราะครั้งที่แล้วละเอียดแล้วมันไม่จบสักทีถ้าเลยมีอลักฐานเกี่ยกับสรวนนี้ครับ ถ้าสังเกตดูอลอใช้คําว่ายามรุ่งอรุณแล้วก็ความชั่วร้ายอลเอจะพูดถึงยามค่ําคืนเพราะช่วงเวลายามค่ําคืนเป็นช่วงเวลาที่ไชตอนจะทํางานหนักเป็นพิเศษคือไชตอนตื่นแต่จะทํางานช่วงตางกลางคืนถ้าคนจะเล่นของถ้าจะเล่นของให้โดนหนักๆเขาจะเริ่มตอนกลางคืนจะเริ่ตอนกลางคืนเพราะนั้นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่มุสลิมเราก็จะระวังสิ่งที่ระ บ, บีเตือนไว้นะครับช่วงมักกลิป ช่วงมักกิบท่านอบีบอกว่าให้กัดตัวลูกของพวกคุณเอาไว้กัดตัวเด็กๆเอาไว้ท่านอบีพูดแบบนี้วันละว่ารมถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อของกาเฟสก็จะมีเรื่องผีลักซ่อนใช่ไหมครับความเชื่อของไทยก็มีผีลักซ่อนญี่ปุ่นก็มีผีลักซ่อนหลายชาติมีความเชื่ออย่างนี้แต่นี่คือที่ท่านอบีบอกไว้ก็คือท่านอะบีบอกว่าช่วงมักกลิบให้กัดตัวเด็กเอาไว้ เพราะเหตุอะไรวะเราอะลมอาจจะเพราะชายตอนจะมายุ่งอาจจะเพราะจะเป็นโรคใครไขจีบไปไหนเราไม่รู้แล้วเป็นเรื่องอิมอุนเก็บนบีบอกเราเชื่อตามนั้นนบีไม่บอกสาเหตุเราก็ไม่ต้องไปหาสาเหตุเองเพราะว่าอาจจะถูกเล่า จ, จะผิดครับปึ๊บ ป, ปชาด future, ินาฟซอร์จิลออก่อนความชั่วร้ายของผู้เสกเป่าผมเงื่อนพูดเรื่องของนิดหนึ่งพูดเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดว่าอัลบียกอยะคอยลุนเมนอีลาสการ ป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่โดนเล่นไสยศาสตร์นะครับอย่างในเทสของท่านนบีเนะี่ยโดนเล่นไปแล้วอ่านกุ้นสามกุ้นอย่างเดียวรักษาไม่ได้ต้องไปหาตัวที่เขาเล่นให้เจอแล้วก็ต้องทําลายมันนี่เป็นเงื่อนไขในการทําลายไสยศาสตร์เวลาที่โดนเล่นสนัญญาแฝงเพราะฉะนั้นผมก็เลยย้ําว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะรักษาปุกบมันยากครับยาก พออย่างท่านอบดนลประโยนไว้ในบอ่อใครจะไปรู้มันอยู่ในบอ่อเชิญครับแม่นครั บ, รบกะมีการรักษาก็มีตึงที่ถูกกับมีตึงที่ผิดตรที่ผิดก็คือว่าปัาใจัยไสยศาสตร์ไปสู้กับเสยศาสตร์ใจยินไปสู้ยินนะครับผมซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องเสี่ยงกับการต้องเป็นการเฟสหรือว่าต้องตกศา ส, สนาไปเชิญครับ อะไรพวกนี้อาขอขนาดครับโดยที่เขาเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นการไปถ้าต้องจัดการกันครับผ่ไปใช้บริการยิ น, น, ยนอ่าค ร, รับหมายถึงว่ายินยินใจดีเหมือนโดูแลมอนต์มาเกนใช่ไหมครัอ๋อครั บ, บ น, น, นบวิแต่วิ่งไปหาโดูแลมอนต์นนนในกอกราชอลาพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ายินกับมนุษย์จะมา คบขาสมาคมกันแต่ในยักกุรานที่อ uh um ัลลอ์ใช้อัลลอ์ใช้คำว่าวาซาดูหุมรอฮากอต่างฝ่ายต่างจะเพิ่มความชั่วร้ายให้กับกันและกันก็คือคนก็จะทำให้ยินเนี่ยมันรู้สึกตะครับบว่ามันยิ่งใหญ่คนต้องมาซูฮกในขณะที่ยินก็เพิ่มความหลงผิดให้กับคนว่าคนมีปัญหาปุ๊บไปขอความช่วยเหลือจากยิน ซึ่งมีผลกับอากีได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาของหายก็หาหาในวิธีปกติอย่าไปใช้ยินอย่าไปใช้ชัยตอนเพราะว่าถ้าใช้มันอาจจะเจอแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานอกจากของที่เจออาจจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างเราไม่รู้มีทางแก้จากถ้าสมติว่ากรณีที่มันโดนสูญเสียนะคุณในการสูญเสียมันจะเป็นสูญเสียอะไรก็ได้วแต่ มีคดีที่มีเนาะครับครับ อ, อ, อินร ล, ลน์นียนะครับทีาตัวเราของายแล้วตแลแต้วต่าวการเสียไปเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาดีกว่าแล้วได้ทัพ์ครับใช่ครับศาสตาคุณาคาครับผมการสูงของอ า, อาจารย์มนัสครับยอดเยี่ยมอาจารย์บอกว่าในการสูญเสียถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์มาลิกหรือาจารย์มาิกนะหรือว่าลุงมาิกหรือว่าโกมาลิกที่มาลิกอ่า ที่ว่ามาว่าพอคนหายอพอมีอะไรหายใช่ไหมครับก็ไปขอให้ยินช่วยเพราะว่าเขาผูกพันกับสิ่งของที่หายมากเกินไปทั้งๆที่ว่าคําสอนของอิสาลามก็คือทุกๆการสูญเสียมุสลิมจะได้ผลบุญกลับได้สิ่งที่ดีกว่านั้นคือถ้าเกิดเรามองในมุมมองของมุสลิมเนี่ยไม่ต้องเจอไอ้นั่นก็ได้ไม่เจอใช่ไหมเออตั้งชั้นหายหมื่นหนึ่งสมมติสมมุติ ไปเที่าโรงแรมเอาเงินไว้ใต้หมอนแล้วมันหายอันนี้เคสจริงนะครับหายปุ๊ ม, มุสลิมเราในเมื่อหายแล้วพยายามหาไม่เจอแล้วก็อินนารินลาฮิวอินนาริจูนได้บุญด้วยได้มากกว่าหมู่ด้วยครับเรารับดว้วยอาจารย์กันก่อนครับผมอัลลอฮฺบบัตอัลลอฮฺฮุบบัตอัลลอฮฺฮุบบัตอัลอลอฮฺฮุั ได้ครับคุณเชน ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นจากสุร้อนี้นะครับ ท, ทีละอายะทีละอายะทีละอายะแล้วก็วันนี้เราก็จะถือว่าจบฟารักษ์ครั้งต่อไปแล้วก็มาคุณหวัวรอมาเริ่มอีคลาสกันในสุร้ อ, อลฟลรักษ์เนี่ยครับผมผู้ราได้พูดเริ่มจากว่าจงกล่าวเมมาถิดมัวมัดข้าพูงขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณถือผะ้รอเป็นผู้อุปบาลดูแล ทุกเวลาอยู่แล้วแต่ในที่นี้พงศ์ละใช้เน้นในช่วงของตอนเช้าเพราะมันตรงกันข้ามกับตอนกลางคืนที่เป็นแหล่งรวมของความชั่วร้ายมินชอริมาข้าหลักขอให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พงศ์ได้ทรงสร้างขึ้นมาถามว่าทําไมพระเจ้าถึงสร้างสิ่งที่ชั่วร้ายคําตอบมันก็ง่ายๆข้อหลกนี้คือห้องสอบเมื่อห้องสอบมันก็ต้องมีอุปสรรคใช่ไหมครับอุปสรรคมันไม่ใช่สิ่งดีอยู่แล้วแหละ อุปสรรคก็คือสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะนั้นพระเจ้าสร้างมาเพื่อเป็นบททดสอบว่ามีชอบเดีร๋รากินอีลาวกอบขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่ปกคลุมเข้ามาเพราะความชั่วร้ายเกือบจะทุกอย่างจะทําได้ดีที่สุดตอนกลางคืนใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเดินทางไปทามถนนเปี่ยวๆกลางวันกับกลางคืน ช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือกลางคืนเพราะว่าคนร้ายเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากกว่ามีที่ซ่อนมีอะไรแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็มองเห็นเลยไม่ดีเท่าไหร่แล้วยามค่ำคืนเป็นอะไรเป็นช่วงเวลาที่แบบคนชั่วก็อยู่ช่วงนี้ชัยตอนก็จะทำงานหนักช่วงนี้แล้วก็จิตใจเราก็จะกลัวช่วงนี้เพราะตามธรรมชาติคนเราจะกลัวความมืดเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่บ้าง วามิชารีนัฟาซาที่พูดก่อนขอให้พนจากความชั่วร้ายของบรร ด, ดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อนก็ะเสียงว่าสายสะจะมีจริงแล้วก็รูปแบบหนึ่งที่ทำก็คือพวกของเสนียะแฝดมีจริงทำให้คนที่ไม่น่าจะรักกันมารักกันหรือทำให้คนที่รักกันเนี่ยแตกกันซึ่งนั่นก็เป็นอย่างในบททดสอบของร์น ว, วามีชริฮาซิดินอิราฮัสตแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของผู้ที่อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาประเด็นนี้อันตรายที่สุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคน คือเราอาจจะโดนอิจฉาหรือเราอาจจะไปอิจฉาเขาเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะว่าหัวใจของเราบางครั้งเราไม่ดูบางครั้งเราเข้าขุณมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการขอดูอาบทนี้ก็คือจะเราหรือจะใครก็ตามก็ขอให้มันอย่ามาส่งผลอันตรายกับตัวเราครับเมื่อกี้พูดถึงดูอาสูญเสียผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับผมถ้าท่านใดอยากได้แบบเต็มๆช้าๆ ช, ชัดๆนะครับเวลาเกิดการสูญเสียมุสิมเราไม่ตีโพยตีภายเกินไป เราจะอดทนแล้วเราจะมั่นใจว่าในทุกการสูญเสียเราจะได้สองอย่างอย่างแรกคือผลละบุญอย่างที่สองคือสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปถ้ามุสลิมเราคิดอย่างนี้เราจะทําใจง่ายขึ้นเวลาเกิดการสูญเสียแล้วจะอ่านว่าไงครับอินนาลิลลาฮิวาอินน่าอิไลฮิรอชิอูนเราเป็นของอัลลอฮ์เราต้องกลับไปหาพระองค์สูญเสียปุ๊บใจผูกพันกับอัลลอฮ์วรกที่สองครับอัลลอฮุมะชุดนี หรือว่าอัลลอฮุมะจุดนีแต่ไม่ใช่อาชิตนีนะถ้าอาชิตนีแปลว่าขอความคุ้มครองให้รอดอัลลอฮุมะจุดน ah ีฟีมุซีบาตีคืออัลลอฮ์โปรดตอบแทนให้ผลบุญในภัยพิบัติที่ฉันเจอวักลุฟลี li. หรือว่าวักลิฟลีแล้วแต่วักลุฟลีเคยหลอนมินฮาก็คือแล้วโปรดให้สิ่งที่ดีกว่านั้นแก่ฉันโดย บ, บทนี้ก็คือ ท่านอุมุสลามะหลังจากที่สูญเสียสามีไปท่านอ่านดวอาบทนี้แล้วร้อยใกล้สามีที่ดีกว่าสามีที่เสียไปก็คือให้ท่านได้แต่งกับท่านอับดุโมฮัมมัดสุลลัลฮุซซัลลาฮิวะซัลลาห์เพราะฉะนั้นได้ดีกว่าที่สูญเสียไปแน่นอนผมรับประกันอีกคนหนึ่งเพราะว่าตลอดชีวิตเวลาอ่านเวลาสูญเสียอะไรแล้วอ่านมันจะมีสิ่งที่ดีกว่านั้นเสมอขอให้เชื่อมั่นแนวละครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปใช้วิธีผิดในการตามหาของที่หายถ้ามันจะหายมันจะไม่เจอจริงๆก็ก็แปลว่าจบแค่นั้นละเอาให้ได้ผลลบุญกลับได้สิ่งที่ดีกว่านั้นดีกว่าครับผมสาหรับวันนี้ครับสาระที่ได้จากสุราอัลฟาลักมีท่านใดอยากจะสรุปให้ฟังหน่อยไหมครับเชนครับครั บ, รบเอาได้ครับไ อ, อยังก็ได้ครับ เราทำดีแล้วครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติตังหายไหยครับเฮาเป็นีสื้อละก็หมายความว่าเฮามาเอาพิดเขามาชาวล้อครับถ้าทําได้อประกาศแรกถ้าทําได้ก็คือใจเฮาสะอาดนะครับใจเฮาสะอาดส่วนคนที่เอาไปถ้าเป็นไปได้อ่ะครับนอกจากเฮาจะบอกว่าเสืกอละก็เฮาบวกดูอาเฮี้ว่าขอล้อเปิดใจคนที่เอาไปครับมันจะได้ครบ จะได้ครบนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าไขมิ่งแต๊ะบอกว่าโลคหน้าปากันก็แล้วแต่นะครับเมื่อก่เป็นซิดของเขาอล้นะครับแต่ว่าอย่างที่คุณหมอมานี่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าการให้อภัยนั้นดีกว่าการให้อภัยนั้นดีกว่าครับผมงั้นอ่านว่าปิดประชุมครับจะจากกุมารกันครับสวัสดีกุมารมัยฮะนึกกระอาชรลลอันตัสสกัดตูไรสลาโมวิกุมกุลตูบบะบอกกาตูลุ้งกินท่านจะไปด้านใดไปขอมาฟด้วยนะครับคุณลุงมาลิกด้วยผมขอมาฟนะครับ